ื้อรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องรามอนกับเลขศูนย์มีขอทานชราแต่งกายมอซอคนหนึงนงง่งนั่งงบงเงิ่อนขอเงินชาวบ้านอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นวิหารศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใครมีใครให้เงินเขานักทุกคนรังเกียจเพราะเห็นว่าเป็นการไม่บังควรที่ขอทานสกปรกจะมานั่งอยู่ตรงทางขึ้นวิหารของเท พ, พเจ้าหนุ่มน้อยคนหนึ่ง เดินผ่านมาทางนั้นพร้อมกับเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาไม่พอใจมากที่เห็นขอทานชาราคนนั้นและทำท่าจะเข้าไปขับไล่แต่หนุ่มน้อยได้ห้ามเพื่อนไว้อีกทั้งยังนำเงินเล็กน้อยที่พอมีติดตัวไปให้ขอทานชาราคนนั้นอีกด้วยเจ้าทำอย่างนั้นทำไมอาทิมิสเรื่องอะไรต้องนำเงินของเจ้าไปให้มันเห็นหรือไม่ว่ามันไม่รู้จักการัเทสะแค่ไหนมันแค่อยากได้เงิน แต่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเอาซะเลยอาริมิสมองไปที่ขอทานชาราคนนั้นมีชายชกันผู้ดูแลวิหารสามคนบาลากตัวเขาออกไปให้ผลจากบันไดวิหารขอทานคนนั้นเคยเป็นเจ้านายของครอบครัวข้าก่อนที่ข้าจะย้ายมาอยู่ในเมืองนี้อาริมิสบอกเพื่อนซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนเขาไม่ยอมเชื่อและรีบแย้งทันที ครอัวเจ้าเคยทํางานในบ้านของมหาเศรษฐีต่างหากเล่าไม่ใช่ขอทานที่ไม่มีแม้แต่ที่ซุกหัวนอนแบบนี้ขอทานคนนั้นชื่อรามอนและเคยเป็นมหาเศรษฐีมาก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วอาร์ติมิสพูดพลางเชงเงือแลหาขอทานชราคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นอีกแล้วชายชะกันพวกนั้น คงพาขอทานชราไปปล่อยทิ้งไว้ที่ไกลที่ไหนสักแห่งเพื่อไม่ให้เขากลับมาที่วิหารได้อีกเพื่อนของอาร์ติมิสรู้ว่าอาร์ติมิสไม่ใช่คนโกหกเขาจึงยอมเชื่อในที่สุดและขยันขยอให้อาร์ติมิสเล่าเรื่องของรามอนมหาเศรษฐีผู้กลายเป็นยาจกให้ฟังเป็นการใหญ่เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านรามอนกับเลขศูนย์อาร์ติมิสกล่าว และเริ่มเล่าเรื่องราวของเจ้านายเก่าให้เพื่อนฟังดังนี้ในสมัยที่รามอนเป็นหนุ่มน้อยเช่นเดียวกับอาร์ติมิสรามอนเป็นเพียงเด็กกําพร้าที่รับจ้างเลี้ยงวัวไปวันวันและยากจนข้นแค้นถึงขนาดต้องแบ่งขนมปังก้อนเล็กๆที่ได้รับเป็นค่าจ้างไว้กินต่อในวันพรุ่งเพราะไม่รู้ว่าในวันต่อไปจะมีใครมาจ้างเขาอีกหรือไม่ ถึงแม้ชีวิตจะลำบากแต่รามอนก็มีจิตใจที่ประเสริฐนักเขาชอบช่วยเหลือคนที่อดอยากและลำบากกว่าหลายครั้งที่เดียวที่ขนมปังของรามอนตกไปอยู่ในท้องของเด็กๆที่หิวโหวยแทนที่เขาจะได้กินขนมปังนั้นจนอิ่มท้องเสเองและถ้าเขาเดินไปพบคนชาราที่กำลังเจ็บไข้เขาก็จะมอบเงินเล็กน้อยที่พอจะมีติดตัวอยู่บ้างให้แก่คนเหล่านั้น เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยไม่คิดเสียดายความดีของรามอนได้รับการโจ์จันไปทั่วจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักบุญชุดขาวท่านหนึ่งเดินทางมาตามหารามอน mm hmm. เขาบอกว่าเขายินดีจะรับรามอนเป็นศิษย์ mm hmm. เพื่อสอนสั่งวิชาต่างๆให้เขามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่ข้าไม่ใช่คนร่ำรวยข้าไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนให้ท่านรอกอรับ แม้จะดีใจมากแค่ไหนแต่รามอนก็รู้ฐานะของตนเองดีเขาเคยได้ยินมาว่าการเรียนหนังสือต้องใช้เงินมากจึงมีแต่ลูกเศรษฐีเท่านั้นที่ได้รับโอกาสนี้เรียนกับข้าไม่ต้องจ่ายเป็นตัวเงินแต่จ่ายด้วยความดีถ้าเจ้าเป็นคนดีเจ้าก็ร่ำรวยพอที่จะเรียนกับข้าได้นักบุญชุดขาวกล่าว รามอนดีใจเป็นที่สุดเขาก้มลงกราบนักบุญและให้คำมั่นว่าจะตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้สมกับที่นักบุญมีความเมตตาต่อเขาจากนั้นนักบุญชุดขาวจึงพารามอนเดินทางกลับไปที่สำนักของเขาและประสิทธิ์ประสานวิชาต่างๆให้จนกระทั่งรามอนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่นักบุญจึงบอกแก่รามอนในวันหนึ่งว่าตอนนี้ เจ้าก็ได้วิชาความรู้จากอาจารย์ไปทั้งหมดแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะได้ใช้วิชาความรู้เหล่านั้นสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชีวิตของเจ้าบ้างรามอนก้มลงกราบอาจารย์ของเขาด้วยความสำนึกในบุญคุณนักบุญชุดขาวเอื้อมมือไปลูบศีรษะของรามอนอย่างรักใคร่เอ็นดูก่อนจะพูดต่อไปว่าในบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์อาจารย์รักเจ้ามากที่สุด เพราะเจ้าเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรและชอบช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นอาจารย์จะมอบของขวัญให้เจ้าหนึ่งชิ้นเพื่อความเป็นสินริมงคลแก่ชีวิตภายหน้าของเจ้ากล่าวจบนักบุญชุดขาวก็หยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นและเขียนเลขสิบลงไปก่อนจะยื่นส่งให้รามอนนี่คืออะไรขอรับอาจารย์รามอนมองตัวเลขสิบและถามอย่างสนเท่ นั่นคือพอรจากอาจารย์จากนี้ไปอาจารย์ขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญในแต่ละเดือนให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าสิบเหรียญทองเพื่อที่เจ้าจะได้แบ่งเงินของเจ้าไปช่วยเหลือคนอื่นๆดังที่เจ้าชอบกระทำโดยไม่เดือดร้อนพอรจากนักบุญชุดขาวไม่ผิดเพี้ยนไปจากนั้นรามอนเปิดร้านรับจ้างทำบัญชีและมีรายได้แต่ละเดือนไม่เคยน้อยกว่าสิบเหรียญทอง ซึ่งพอให้เขาอยู่ได้อย่างสบายและเลี้ยงดูคนยากจนได้วันละสองสามคนทุกวันโดยไม่ติดขัดวันหนึ่งมีนักบุญคนหนึ่งเดินทางผ่านมารามอนเห็นนักบุญคนนี้มีใจก็มีใจนึกถึงอาจารย์ของตนขึ้นมาเ้ารีบเชิญนักบุญคนนั้นเข้ามาในบ้านและจัดหาข้าวปลาอาหารให้รับประทานจนอิ่มหนำเสร็จแล้วนักบุญจึงถามรามอนว่า ข้าได้ข่าวมาว่าท่านมักจะเลี้ยงคนยากจนหยุดเป็นนิดมีเหตุอะไรที่ท่านต้องทำเช่นนี้ด้วยรามอนตอบว่าในอดีตข้าก็เคยจนมาก่อนความอดอยากหิวโหวยเป็นอย่างไรข้ารู้ดีที่สุดดังนั้นข้าจึงอยากให้คนที่เป็นเหมือนข้าในตอนนั้นได้รู้จักคำว่าอิ่มท้องกับเขาบ้างแต่การกระทำเช่นนั้นท่านต้องเสียสละเงินส่วนตัวมาก ท่านสามารถหาเงินเหล่านั้นมาเลี้ยงผู้คนทุกวันมิได้ขาดได้อย่างไรนักบุญยังคงถามต่อรามอนจึงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญชุดขาวผู้เป็นอาจารย์ของเขาให้ฟังแล้วนำกระดาษที่อาจารย์เขียนเลขสิบออกมาให้นักบุญดูข้าก็ตั้งใจทำงานให้รอบคอบและมีคุณภาพลูกค้าจึงพอใจและมาว่าจ้างอยู่เรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันพรของอาจารย์ก็คุ้มครองข้าด้วย ำคำพิ่าสามารถหาเงินได้ทุกเดือนไม่เคยน้อยกว่าสิบเหรียญทองนักบุญนิ่งมองกระดาษแผ่นนั้นอยู่เนิ่นนานก่อนจะยิ้มแล้วรับกระดาษจากมือรามอนมาเติมเลขศูนย์เข้าไปอีกตัวหนึ่งกลายเป็นหนึ่งร้อยจากนั้นจึงขอตัวลากลับหลังจากนั้นเพียงหนึ่งวันก็มีลูกค้ารายใหญ่มาว่าจ้างให้รามอนทำบัญชีให้ทาให้รามอน มีรายได้มากขึ้นกว่าเดิมถึงเดือนละหนึ่งร้อยเหรียญทองรามอนดีใจมากเพราะตอนนี้เขาสามารถเลี้ยงคนยากจนได้ถึงหนึ่งร้อยคนต่อวันเลยทีเดียววันหนึ่งมีนักบุญอีกคนหนึ่งเดินทางผ่านมารามอนก็ออกมาต้อนรับขับสู้เขาเป็นอย่างดีนักบุญสอบถามเรื่องราวชีวิตของรามอนด้วยความสนใจแล้วเขียนเลขศูนย์เพิ่มเข้าไปในกระดาษแผ่นนั้นอีกหนึ่งตัวกลายเป็นหนึ่งพัน วันรุ่งขึ้นมีงานบัญชีมากมายหลั่งไหลเข้ามาหารามอนจนทําแทบไม่ทันแต่นั่นก็ทําให้เงินทองของเขาเพิ่มขึ้นมากด้วยถึงขนาดที่รามอนสามารถเลี้ยงคนยากจนทั้งหมู่บ้านให้อิ่มสบายทุกวันได้ไม่นานนะักนักบุญอีกคนก็เดินทางผ่านมาอีกรามอนรีบเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปรับประทานอาหารในบ้านนักบุญฟังเรื่องราวของรามอนแล้วชื่นชมยินดีในตัวเขามาก จึงขอกระดาษแผ่นนั้นและเขียนเลขศูนย์เพิ่มลงไปข้างหลังอีกหนึ่งตัวกลายเป็นหนึ่งหมื่นคราวนี้รามอนก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วงานทำบัญชีจากทุกทั่วสารทิศต่ตางเจาะจงมาที่ตัวเขารามอนจึงขยายร้านรับทำบัญชีของเขาออกไปอย่างใหญ่โตและรับลูกจ้างมาเข้ามาช่วยงานต่างๆอีกหลายคนในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสขยับค่าจ้างขึ้นไปในอัตราที่สูงรีว จึงมีแต่พวกพ่อค้าระดับเศรษฐีเท่านั้นที่มีเงินว่าจ้างร้านของรามอนให้ทําบัญชีแต่ละวันมีเงินมากมายไหลเข้าสู่มือของรามอนมันมากซสจนเขาไม่อาจเก็บไว้กับตัวได้อีกแต่ถ้าใครคิดว่ารามอนจะเอาไปเลี้ยงคนยากจนเหมือนแต่ก่อนก็คิดผิ ด, ดแล้วรามอนเอาเงินเหล่านั้นไปสรรหาความสุขสบายให้แก่ตัวเองเขาสร้างคฤรุหาตที่ใหญ่โตราวกับวัง ซื้อเครื่องเรือนราคาแพงมากมายมาเติมความหรูหราและจ้างบริวาร น, นับร้อยมาคอยปฏิบัติรับใช้รามอนบอกแก่ใครก ใ, ใครว่านี่คือรางวัลตอบแทนความเหนื่อยยากที่เขามอบให้แก่ตนเองนอกจากนั้นด้วยความที่รามอนมีเงินมากจนกลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเขาจึงกลายเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมชั้นสูงไปโดยปริยาย รามอนได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงทุกคืนและต้องต้อนรับแขกชั้นสูงที่มาเยี่ยมถึงคารือหาทุกวันรามอนลหลงไหลอยู่กับความหรูหราในสังคมใหม่จนลืมคนจนคนยากไปจนหมดสิ้นวันหนึ่งนักบุญชุดขาวได้เดินทางมาเยี่ยมรามอนที่คฤรือหา ร, รามอนดีใจที่อาจารย์มหาจึงสั่งบ่าวไพร่ให้นำอาหารคาวหวานเสมือนเลี้ยงคนสักสิบคนมาให้นักบุญชุดขาวรับประทาน นักบุญมองอาหารเชิญเลิศที่วางอยู่ตรงหน้าแล้วเอ่ยปากถามรามอนทำไมเจ้าถึงมีเงินทองมากมายถึงเพียงนี้เจ้าได้ทำอะไรกับกระดาษของอาจารย์หรือไม่รามอนนำกระดาษแผ่นนั้นที่มีเลขหนึ่งหมื่นมาให้นักบุญชุดขาวดูและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังตอนนั้นเองมีเด็กชายตัวเล็กๆซึ่งเป็นลูกชายของคนรับใช้ในบ้านวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามารายงานรามอนว่า นายท่านขอรับมีขอทานร่วมร้อยคนมาประท้วงอยู่หน้ากำแพงค า, าริฮาดเขาว่านายท่านไม่ได้นาอาหารไปเลี้ยงเขาที่โรงทานเลยเป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วขอรับรามอนหันไปบอกเด็กชายคนนั้นทันทีว่า<อ>เจ้าไปบอกพ่อของเจ้าณนะอาทิมิรให้เขาไปแจ้งทหารมาจัดการกับขอทานพวกนี้อย่างเด็ดขาดบอกว่าข้าทนการกระทําของพวกมันไม่ไหวแล้ว พวกมันมีสิทธิ์อะไรถึงได้มาเรียกร้องให้ข้าเอาเงินของตัวเองไปเลี้ยงดูพวกมันอย่างนี้อาธิมิสน้อยรับคำรามอนผู้เป็นนายแล้วเดินออกไปจากห้องนั้นทันทีในเมื่อเจ้ามีเงินทองมากมายถึงขนาดนี้เหตุใดจึงไม่ช่วยเหลือเขาเล่านักบุญชุดขาวเอ่ยถามรามอนขึ้นมาทันทีเรียนท่านอาจารย์ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากช่วย แต่ช่วงนี้ข้ามีภารกิจมากมายไม่มีแม้แต่เวลาจะพักผ่อนบางครั้งก็หลงลืมการให้ทานไปบ้างแต่คนพวกนี้ไม่เคยเห็นใจข้าเลยพวกมันอยากแต่จะกินจะใช้อยากให้ตัวเองอิ่มท้องทุกวันพอวันไหนที่ไม่ได้กินก็จะพากันมาโวยวายอยู่ที่หน้าคฤหาสน์ของข้าทาให้ข้าอับอายแตกเลือที่มาเยี่ยมเยียนข้าระอาความไม่รู้กาลเทศะของคนพวกนี้เต็มทีแล้ว ต่อไปข้าจะไม่สนใจใยดีคนพวกนี้อีกจะได้รู้สำนึกกันบ้างนักบุญชุดขาวฟังรามอนพูดเช่นนั้นก็หยิบปากกาขนนกในย่ามของตนขึ้นมาแล้วเขียนอะไรบางอย่างลงไปในกระดาษแผ่นนั้นก่อนจะพับมันส่งคืนให้แก่รามอนในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดอาจารย์รักเจ้ามากที่สุดและนี่คือสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์จะมอบให้กับศิริรักอย่างเจ้า รามอนรับกระดาษแผ่นนั้นออกมาเปิดดูทันทีเขาคิดว่าอาจารย์คงจะเขียนเลขศูนย์เติมเข้าไปด้านหลังอีกสักสองสามตัวแต่สิ่งที่เห็นทำให้รามอนตกใจแทบสิ้นสติอาจารย์ของเขาไม่ได้เติมเลขศูนย์ให้แต่กลับขีดค่าเลขหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหน้าออกไปทำให้ในกระดาษแผ่นนั้นเหลือแค่เลขศูนยอยู่ถึงสี่ตัว แล้วทำไมเจ้านายของเจ้าไม่วิงวอให้นักบุญแก้ตัวเลขให้ใหม่ล่ะอาร์ิมิสตอบเพื่อนของเขาว่าเมื่อนายเงยหน้าขึ้นมานักบุญชุดขาวก็หายไปซะแล้วมีคนรับใช้อยู่ในคฤหาสน์นั้นเป็นร้อยคนแต่ไม่มีใครสักคนเห็นว่านักบุญท่านนั้นเดินออกไปตอนไหนราวกับว่าท่านหายตัวได้อย่างนั้นล่ะเพื่อนของอาร์ิมิสทาตาโตแล้วถามต่ อ, อยางสนใจใครรู้ว่า แล้วเจ้านายของเจ้าทำอย่างไรต่อไปนี้ล่ะทีนี้นายท่านแทบจะพลิกแผ่นดินออกตามหานักบุญท่านนั้นแต่ก็ไม่พบน่าแปลกใจเหลือเกินที่หลังจากนั้นจู่ๆงานบัญชีที่เคยหลั่งไหลเข้ามาให้นายท่านทำก็หดหายไปจนหมดไม่มีใครจ้างนายท่านอีกเลยทรัพย์สมบัติที่มีก็ร่อยหลอลงอย่างน่าใจหายถูกลูกน้องโกงเงินบ้างขโมยทรัพย์สินบ้างจนในที่สุด ฉันก็สิ้นเนื้อประดาตัวและหายสาบสูญไปไม่มีใครพบเห็นอีกเลยเจ้าก็ได้เห็นแล้วนี่เพื่อนของอาร์ิมิสเกล่าวอย่างติตลกแต่อาร์ิมิสไม่รู้สึกตลกด้วยเขาเสะเทือนใจที่ต้องมาพบกับนายเก่าในสภาพเช่นนี้และรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มากไปกว่าการมอบเศษเงินเล็กๆน้อยๆให้แต่อย่างน้อยอ <_ d ok> าร์ิมิสก็มีเรื่องไวเตือนใจตัวเองเรื่องหนึ่งเขาให้สัญญากับตัวเองว่า เมื่อเติบใหญ่และได้ดิบได้ดีเขาจะไม่มีวันลืมตัวเพราะว่าการลืมตัวจะทําให้เขาสูญเสียคุณค่าแห่งชีวิตดังเช่นรามอนผู้เป็นนายเก่าของเขาเธอทั้งหลายเมื่อเรามีเงินทองมีชื่อเสียงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นการยากจริงๆที่จะทําตัวเสมือนว่าเรายังไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพราะเมื่อมีเงินเราก็อยากใช้เงินซื้อหาสิ่งที่เราไม่เคยมี เมื่อมีชื่อเสียงมันก็มักจะมาพร้อมกับคำป้ายอและการเป็นที่สนใจทั้งหมดนี้เป็นกิเลสที่หลอกลวงให้เราลุ่มหลงอยู่กับความเป็นมายาจนละทิ้งตัวตนดั้งเดิมของเราได้ง่ายเป็นเรื่องดีหากเธอจะพัฒนาตนเองให้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแค่ไหน แต่ตัวตนดั้งเดิมของเธอต้องยังอยู่อย่าหลงลืมตนลืมชาติกำเนิดลืมสิ่งที่เธอเคยเป็นเพราะการลืมตัวจะลบคุณค่าความเป็นคนของเธอออกไปทีละเล็กทีละน้อยจนเหลือแค่เลขศูนย์ในที่สุด